ปาราชิกสิกขาบทที่สี่ท่านพระมหากัสปะถามต่อไปว่าท่านอุบาลีพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติปาราชิกสิกขาบทที่สี่ไว้ณที่ไหนท่านพระอุบาลีตอบว่า ณกรุงเวสาลีขอรับท่านพระมหากัสปะถามว่าทารงปราบรบใครท่านพระบาลีตอบว่าทารงปรารบภิกษุชาวฝั่งแม่น้ําวัคคุมุธาทั้งหลายท่านพระมหากัสปะถามว่าเพราะเรื่องอะไรท่านพระบาลีตอบว่าเพราะกล่าวอวดอุตตริมนุสธรรม จากนั้นท่านพระมหากัสปะได้ถามถึงวัตถุบ้างถามถึงนิทานบ้างถามถึงบุคคลบ้างถามถึงพระบัญญัติบ้างถามถึงพระอนุบัญญัติบ้างถามถึงอาบัติบ้างถามถึงอนาบัติบ้างแห่งปาราชิกสิกขาบทที่สี่ท่านพระมหากรสปะ ถามพระวินัยของสงฆ์ทั้งสองฝ่ายโดยอุบายนี้เหมือนกันท่านพระมหากัสปะเป็นผู้ถามท่านพระอุบาลีเป็นผู้ตอบ